ลูกชายไปทำงานราชการอยู่กรุงเทพว่างั้นดะนนี้พ่ออยู่บ้านนอกก่อนที่จะไปเยี่ยมลูกชายกันเนี่ยนะหอบของพลุงพลังกวัวลูกชายจะอดว่างั้นะหน่อไม้หนอห้หนอน้ำข้าวสารอาหารแห้งเตรียมไปให้ลูกชายเพราะลูกชายทำงานราชการแต่ลูกชายเนี่ยโอ้ยอายเขาโปรแรงว่างั้นะเพราะว่าพ่อเข้าไปแล้วมีแต่ของอะไรพลุงพลังมันจะอดอะไรในกรุงเทพ มีแต่ของดีๆแล้ววิธีทําจะทํำยังไงแกงหน่อไม้ต้มหน่อไม้มันไม่เหมือนบ้านนอกหาฟืนหาเตาก็ยังยากแต่นี้จะทํำยังไงพ่อพ่อบ้านนอกก็เป็นห่วงลูกว่างั้นเถอะเทนีลูกชายเขพัวขายหน้าว่างั้นเพราะว่าพ่ อ, พอเป็นบ้านนอกว่างั้นเลยตัดชุดให้อย่างดีว่างั้นใส่ชุดแบบกรุงเทพว่างั้นะแต่ถึงยังไงถึงจะใช้ชุดกรุงเทพก็เป็นบ้านนอกอย่างเก่าว่างั้นะ ท, ท่านก็ใส่ชุด เ, เรียบร้อยท่านก็บอกกับพ่อว่าพ่อพ่อพดูผมนะผมทํำยังไงให้ทําอย่างนั้นน ะ, ะต้องดูผมนะผมทํำยังไงให้ทําอย่างงั้นนะถ้าไม่ทําอย่างผมเดี๋ยวขายหน้าเลยอายเขาเลยเขาจะว่าพ่อบันนอกทั้งพ่อเลยก็ลูกชายแนะนำหลังจะทำยังไงอย่างไงทนะ่าลูกชายบอกแล้วจะทํำยังไง ก็ต้องเชื่อฟังลูกชายเพราะตัวเองเป็นบ้านน อ, อกจริงๆว่างั้นเน่ยกลัวจะขายหน้าลูกชายเพราะลูกชายเป็นข้าราชการเน่ยเดี๋ยวทําอะไรไม่ถูกเข้าไปคนทั้งหลายจะดูดูลูกชายตัวเองพ่อก็ปฏิบัติตามที่ลูกชายบอกว่างั้นลูกชายก็ใส่ชุดอย่างดีอีกใส่รองเท้าอย่างดีให้อีกว่างั้นสรุปแล้วก็เหมือนกระลิงแต่งตัวอย่างงั้นเนี่ยต่นี้ก็เดินไปพอไปลูกชายก็พาเขาร้านอาหาร ลูกชายก็พาไปดื่มน้ําพอไปดื่มน้ํากินปลาตังโง ก, กากาแฟก่อนพอเสร็จแล้วลูกชายก็เดินไปเดินไปกับไปเห็นอ้อยมาก็กินเขี้ยวอ้อยให้พ่อถุงหนึ่งตัวเองถุงหนึ่งพอให้อ้อยตอนี้เวลาลูกชายกินอ้อยปับ๊บเขาคำ้นวนปับ๊บคำคี้อ้อยนะใส่ผ้าเช็ดหนาปับ๊บแต่พ่อนี่มองไม่เห็นว่าลูกชายมันเอาไปไว้ที่ไหนเพาะงั้นเลย พอมันกินเสร็จแล้วมัเงียบมองเงียบมองเออ <Yeah. S 1> ปู่จะไปเอาไว้ที่ไหนเะถ้าจะคายออกเดี๋ยวเขาก็จะว่าบานออกอย่างั้นปู่พ่อแลยเกินขี้อ้อยอย่างนั้นเถิเขี้ยวเขี้ยวแล้วก็เกิกนเอาโอ้กินขี้อ้อยไม่ใช่กินธรรมดามาเกินฝืดคออ่างั้นเถิดแต่ลูกชายนี่ก็กินปับ๊บเก็บปั๊บอย่างนั้นเถิดใส่ผ้าเช็ดหน้าอมองไม่เห็นเอบานนอกมันมองอะไรไม่เห็นเช่อเชื่ออยางั้นเวลาเขาคลายตัวเองมองไม่เห็น คงคายปับ๊บใส่พระเจ้าท่าปับ๊บตัวเองก็เห็นว่าลูกชายกืนขีอ่อยแบบนั้นเลยพ่อเนี่ยกืนเนาะกืนเานเาะลูกชายก็เลยพาเดินไปอีกพอไปเห็นกระป๋องอยู่ข้างถนน่ะลูกชายก็กระโดดเตะไปปักมาพูดพ่อนี่ย ก, กลัวจะไม่ทันกลัวจะขายหน้าแนั้นเลยลูกชายพาเตะเลยพ่อเนี่ยทำท่ากระโดดเตะต่ออีกแบนั้นเตะกระป๋องแบบนั้นเลย เพื่อจะให้ทันสมัยพ่อลูกทำยังไงให้พ่อทําอย่างนั้นได้ให้พ่อดูผมนะ อ, อผมทํายังไงให้ดูเดี๋ยวขายหน้าเหมือนนแต่ตอนนี้พ่อมานั่งทีนี่มานั่งกินก๋วยเตี๋ยวทีน ไ, น, น, นไอ้ลูกชายคืนึกขำพ่อตีกระป๋องเหมือนกันตอนนี้พอกินไปกินมาลูกชายอดขำ ม, มาแดงก็เลยหัวเราะแบบกระทันหันอย่างแรงก๋วยเตี๋ยวออกทางจมูกทั้งสองเส้นเามือนกันแต่พ่อก็เลยบอกว่าลูกทําอะไรพ่อทําได้หมด กินคี้ออยก็ทําได้เพรางั้นแต่เตะกระป๋องก็ทําได้แต่เอาเส้นก๋วยเตี๋ยวออกทางจมูกเนี่ยพ่อทํากับลูกไม่ได้แล้วพ่อยอมแพ้เพราะงั้นนี่แหะอันนี้ก็เหมือนกันนะ่ะอาจารย์พาไปการวาหเนี่ยให้พระใหม่ทําตามเพางั้นให้ดูหัวหน้าเพางั้นแตเข้าไปกราบครูบาอาจารย์นะกราบพร้อมกันนะอย่างนี้มันก็ต้องดูหัวหน้าเพางั้นแต่ที่พูดทั้งนี้ทางนั้นก็สอนให้ใช้ปัญญาให้สังเกต ภัยที่ไหนถ้าสังเกตมันน่าดูทั้งนั้นนะเหมือนกับผ้าญี่ปุ่นกับพระฝรั่งผ้าญี่ปุ่นในฉลาดเน๊ะเห่มาที่วัดป่าบ้านตาดนั่งเรียงกันมันน่าหนาวเลยใช่ไหมพอยื่นน้ําร้อนไปให้ล้างมือคล้ายๆกับใส่ก า, าน้ําใหญ่ๆไปไปกระเทยใส่ให้ล้างมือแต่พระฝรั่ ง, งไม่เทยใส่น้ําล้างมือเลยผ้าฝรั่งที่ไปด้วยเทใส่แก้วเลยดื่มแบบงั้นแหะแต่ผ้าญี่ปุ่นตาหมองแมกหมามกมอดูว่านั้นเลย เ yeah. อั น, นี่เขาไม่ใช่ให้กินนะไม่ให้ดื่ม น, นะเนี่ยน้ำล้างมือนี่นาไอ้พระญี่ปุ่นก็เทใส่ฝาบาตรล้างมือเราก็เห็นคนที่สังเกตเนี่ยคนที่ใช้ปัญญาเนี่ยกับคนที่ไม่คิดเนี่ยคนไม่สังเกตมันต่างกันนาะเช่ามันต่างกันวนะงั้นเพราะนั้นเราไปในสถานทีใน่ใดที่ใดให้สังเกตเขาทํำยังไงไอ้หลงปู่ล่าเคยพูดที่ไปบ้านเศรษฐีในภูเกต็ต พันพิชันเขาหนึ่งใบกล้วยมาแล้วก็ใส่น้ํามันเขาไม่มีกระดาษสมัยนะั้นคือก่อนชั้นอาหารเนี่ยกลัวข้าวและกลัวจะติดมือเนี่ย เ, เขาเอาใบกล้วยมาเช็ดมือซะก่อนเพราะมีน้ํามันอย่างนั้นเขาใส่น้ามันบางๆอย่า้เขาไม่มีกระดาษเขาก็เช็ดมือให้เรียบร้อยก่อนที่จะจับช้อนทานอาหารพวกพระใน<ม>ขเขต น, นีใบตรงกล้วยนั่นมาทําอะไรคงจะเป็นผั ก, ก, นะกจิ้มน้ําพริกชะล่ามั่งเลยมม้วนๆใบกล้วยนจิ้มน้ําพริกกินไปทั้งหมดเลยอ่างนั้นเลย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 บัตวัดนอาจารย์สิงทองน่ยที่ว่านั่นอาจารย์ชิทองกับเป็นคนมีคําคมคําขันอยู่แล้วงั้นเถอะเดี๋ยวไปทําให้ท่านเห็นอีกท่านก็เลยขาขันขึ้นมาอีกเทนี้พะระฝรั่งไปเลยเขาก็เอาหอยจูบใส่ถ้วยมาวก็ส่งไปพระฟรังก็ตักใส่บาตรพอตักใส่บาตรก็ลืมสังเกตว่าเวลากินหอยท่านก็กินยังไงใช่ไหมก็คือพระเขาก็เอาไม้จิ้มพันจิ้มปั๊บเขาก็เอาแต่หอยแล้วก็เปลือกมันก็ทิ้งแต่ฝรั่งนี่ เขาไม่ได้สังเกตว่าาจิ้มยังไงหอยมันอยู่ลักษณะไหนพอจับหอยขึ้นมาเอาไม้ซีฟันแย่ลงไปเพื่อมันออกอีกข้างหนึ่งเมืองไทยพวกพระไทยเขาก็ดูอยู่แย้งไปก็ไม่ออกมองไปมองมาอก็ไม่ถามใครแล้วไงเอาไปมาก็เลยยัดเข้าปากเลยเคี้ยวเลยเคี้ยวทั้งเปลือกหอยเลยเมืองไทอพวกพระไทยจุดๆเปลือกมันจะบาดปากนะเมืงั้นอันนี้ก็คือความเช่ออันหนึ่งเหมือนกันนะไม่ได้ถามตามเป็จริงก็น่าจะถาม น่าจะสังเกตอันนีก้กินหอยทั้งเปลือกเ่างอนนเถอะจะเป็นเรื่องคบขันขึ้นมาอีกเหมือนกันสรุปแล้วก็คือไปที่ไหนให้สังเกตให้ดูปู่มมีประเทศของเขาทำยังไงวัดของเขาทำยังไงเมื่อไปถึงเราควรทำยังไงต้องมองหัวหน้าต้องมองไกลมือนนเถอะแต่ก็จะไปทำจนเกินไปแบบพ่อกับลูกชายไปโดยกันอนะันนั้นกับเกินไปเหมือนกันนะเหมงอนนเถอะทางนี้ทางนั้นการสอ น, น, นเพื่อให้ความฉลาด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 เป็นการส่งเสริมภิกษูได้อยู่ป่าก็าให้อยู่ป่าภิกษูได้บินธบาตให้บินธบาตไม่ให้ฉันโดยที่ไม่บิณธบาตทั้งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนแต่เอาทําคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะเพื่อจะทําให้ตึงขึ้นให้แข็งขึ้นว่า ง, งั้นเถิดให้เป็นเด่นขึ้นเพราะเหตุอะไรกันนี่แหละสรุปแล้วก็คือใช้ปัญญาตัวเองไปในทางที่ไม่ถูกต้องใช้ปัญญาในทางที่ผิดก็เลยตกอเวจีมหานรกยังไม่ได้ขึ้นกระทั่งทุกวันนี้ พอเหตุใดก็เพราะเอาความรอบครอบของพระพุทธเจ้าเอามาใช้ในทางที่ผิดเพราะนั้นสติปัญญาตัวนี้มันเป็นดาบสองคมได้เหมือนกันนะถ้าใช้ไปนในทางที่ผิดมันผิดอย่างมหาศาลเหมือนกันแต่ใช้ไปนในทางถูกเป็นคุณอนันต์เหมือนกันเพราะฉะนั้นพวกเราให้สังเกตความคิดเนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐิหรือเปล่าเป็นความเห็นที่ถูกต้องหรือเปล่าต้องยึดหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นบรรทัดฐานหรือว่ายึดมาเป็น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 เพราะนั้นพวกเราทุกคนทุกท่านนะไปสถานที่ใดให้สังเกตอย่างที่หลวงพ่อพูดนี่ยอยาให้เป็ น, ป น, ปนลูกชายกับพ่อบ้านนอกว่างั้นเถอะกินขวยเตี๋ยวเขาไปแล้วนึกขำขึ้นมาหัวเราะอย่างแรงข้าวตี๋ออกทางจมูกทั้งสองเส้นว่างั้นเถอะพ่อก็เลยบอกว่าลูกทําอะไรพ่อทําได้หมดกินขี้อ้อยก็ทำได้ว่างั้นเถอะเตะกระป๋องก็ทําได้ แต่เอาเส้นก๋วยเตี๋ยวออกทางจมูกเนี่ยพ่อทำกับลูกไม่ได้แล้วพ่อยอมแพ้เหมือนกันนี่ น, เออ น, นะเอารับพรกันเลยเอาัมดนะ